นอบน้อมนมัสการพระภูมิพระพากอรหันตสมมาสมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทางพระธรรมและประสงค์เป็นสารณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีล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 จึงจะประสบผลและก้าวหน้าไปสู่ความสิ้นทุกข์ได้โดยลำดับการปฏิบัติให้ถึงจิตนั่น ก็ต้องตั้งต้นตั้งแต่ขั้นฐานขั้นศีลสืบถึงขั้นสมาธิขั้นปัญญาอันรวมความว่า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 จิตที่บริสุทธินั้นก็หมายถึงมีใช่ให้เพื่อเพิ่มโลภะแต่ว่าให้เพื่อที่จะชำระโลภะความโลภอยากได้มัจจริยะความหวงแหนรณนีเหนียวแน่นเป็นการสละจิต คือสละทางจิตให้จิตบริสุทธิ์ดังกล่าวเมื่อเป็นดังนี้ก็ชื่อว่าจิตประนิจจะให้เพียงนิดหน่อยเมื่อจิตประนติตวัตถุที่ให้นั้นก็ประนติต จึงได้ผลมากและผลมากที่ได้นั้นก็หมายถึงผลทางจิตใจคือความบริสุทธินั่นเองพระพุทธเจา้าได้ทรงแสดงอริยมรรคทางมีองค์แปด เป็นหลักแห่งการปฏิบัติในพุทธศาสนาุบเข้ามาก็เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาทั้งสามนี้ก็ตั้งขึ้นในจิตทางนั้น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 จากบรรดากิเลสอย่างหยาบอันจะเป็นเครื่องดึงจิตให้ก่อเจตนาก่อกรรมที่เป็นบาปอากุศลทุจริทั้งหลายจิตเป็นสมาธินั่นก็คือจิตที่ตั้งมันอยู่ในทางที่ชอบ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 มองเห็นเหตุผลที่เป็นจริงมองเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลาย จึงส่งขึ้นไปสู่จิตที่เป็นปัญญาซึ่งเป็นจิตรู้จิตเห็นเมื่อกล่าวโดยสรุปในทางธรรมปฏิบัติก็เป็นจิตที่รู้ที่เห็น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 ซึ่งเป็นอริยมรรคที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เมื่อนำตนเข้าสู่ศีลสมาธิปัญญาให้จิตเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาดังกล่าว ก็คือว่าเดินเข้าไปในทางอดีมักของพระพุทธเจ้าม่ใช่ดาเนินไปในทางของมันถ้าเดินออกนอกทางอดีมักก็ย่อมชื่อว่าดําเนินไปในทางของมัน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 เมื่อเดินทางไปในทางของมานดังกล่าวนี้จิตก็จะเป็นตัณหาจิตก็จะเป็นราคะหรือโลภะจิตก็จะเป็นโทสะจิตก็จะเป็นโมหะดังนี้ก็เป็นอันว่าเดินไปในทางของมาน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 และเป็นธรรมชาติที่ประพัดสอนคือผุดผ่องดังจะพึงเห็นได้ว่าเมื่อปฏิบัติให้จิตเป็นศีลเป็นสมาธิปัญญา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 จิตก็จะเศร้าหมองไม่ผุดพองแม้ว่าจะได้ผลเป็นความพอใจอยากผลต่างๆ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 เป็นความขึ้นบานสนุกสนานแต่ว่าอันที่จริงนั้นความเพลิดเพลินยินดีพอใจสนุกสนานรื่นเรงต่างๆนั้นตั้งอยู่บนความเศร้าหมอง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 น่าดูน่าพอใจน่าเพลิดเพลินในจิตตรกรรมที่เขียนขึ้นนั้นไม่เห็นว่าเป็นของสกปรกก็มีความสุขเพลิดเพลินอยู่ในภาพนั้นแต่อันที่จริง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 มาเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งในจิตใจปรากฏเป็นต้นดดไม้ขึ้นจริงๆเป็นภูเขาขึ้นจริงๆเป็นแม่น้ำขึ้นจริงๆเป็นคนขึ้นจริงๆเป็นสัตว์เรื่ยานขึ้นจริงๆในจิตใจแม่สิ่งที่ประสบ ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางมรณะคือใจคือพุทขึ้นในใจจากสิ่งที่ได้เคยเห็นมาแล้วเป็นต้นก็ตามก็ล่วนเป็นสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทางนั้นเพราะฉะนั้นแม้ว่ากายและใจของตนเองนี้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 ฉะนั้นจึงมีความหลงถือเอาผิดตั้งตนแต่มีสัญญน์คือความผูกพันและเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายเพิ่มความหลงต่างๆขึ้นอีก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 โลภะลบอยากได้เข้ามาบ้างห้าทั้งขานคือส่วนผสมที่ปรุงแต่งนั้นไม่สวยสดงดงามเพราะร่วงโรยไปโดยธรรมชาติก็ตามซึ่งเปรียบเป็นอย่างภาพเขียนที่เขียนให้หน่าเกลียดน่ากลวัว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 เขียนเป็นต้นไม้เขียนเป็นภูเขาก็ไม่เป็นผูดต้นไม้จริงไม่เป็นภูเขาจริงก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งซึ่งทุกคนก็เห็นว่าช่างเขียนเขาเขียนขึ้นมาคราวนี้สิ่งที่เข้าใจว่าเป็นคนจริงๆเป็นต้นไม้จริงๆเป็นภูเขาจริงๆซึ่งความเข้าใจนั่น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 ความเกิดขึ้นปรากฏสองความเสื่อมสิ้นไปปรากฏและสามเมื่อตั้งอยู่มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นปรากฏนี่เป็นลักษณะของสังขารทั้งหลาย ดูจากภาพเขียนก่อนเมื่อช่างมาเขียนขึ้นนั่นก็คือว่ามีความเกิดขึ้นปรากฏเป็นภาพของจิงสิ่งต่างๆและต่อจากนั้น ก็เก่าเสื่อมไปโดยลำดับเป็นความเสื่อมสิ้นปรากฏจนถึงเสื่อมไปหมดสิ้นคือผุหรือว่าเลือนหายไปและเมื่อ ย, ยังตั้งอยู่ ก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปโดยลาดับต้องเลื่อนไปโดยลาดับจะเห็นได้จากภาพเขียนในบทเก่าๆทั้งหลายบทรั้วบังอะไรบ้างภาพเขียนนั้นก็เสื่อมสิ้นเก่าเสื่อมไปโดยลาดับ และแม่สังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งที่เข้าใจกันมาเป็นต้นไม้เป็นภูเขาจริงๆเป็นอัตภาพของบุคคลของสัตว์ในทั้งหลายจริงๆก็เช่นเดียวกันมีความเกิดขึ้นปรากฏตั้งแต่เป็นกะลละขึ้นในคันของมารดาคลอดออกมาก็เรียกกันว่าเกิด ก็ปรากฏแล้วก็มีวัยคือความเสื่อมสิ้นไปปรากฏโดยลำดับว่าแก่ขึ้นคือเป็นเด็กเล็กเด็กใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วก็แก่ลงก็ชำรุดสุดโทรมเป็นคนแก่ผมงอกฟันหัก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 เพราะฉะนั้นจึงได้มีแสดงว่าทุกๆคนนั่นที่เกิดมาเมื่อเกิดมาก็เดินบ่หน้าไปสู่ความดับในที่สุดด้วยกันทุกคนไม่มีหยุดสักขณะเดียวหลวพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้มันพิจารณาในเมื่อในปฏิบัติ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 อันนี้แหละที่ตรัสสอนไว้ว่าอา น, นิจจานุปัสสีตั้งสติพิจารณาให้เห็นตามอา น, นิจจคือความไม่เที่ยงคือความที่มีความเกิดขึ้นปรากฏมีความเสื่อมสิ้นไปปรากฏเมื่อยังตั้งอยู่ก็เริ่มแ ป, ปรเปลี่ยนแปลงไปโดยลำดับไม่มีหยุดยั้ง อันนี้เรียกว่าอา น, นิจจานุปัสสนาเมื่อได้อ น, นิจจานุปัสสนาดังนี้แล้วก็จะได้วิราคะคือความสิ้นติดใจยินดีก็ให้ตั้งสติพิจารณาตามดูตวัววราคคือความสิ้นติดใจยินดี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 ก็จะได้ความปล่อยวางสิ่งอะไรที่เคยยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราก็จะปล่อยวางลงได้ก็ให้ตั้งสติพิจารณาตามรู้ตามรู้ตามเห็นตัวความปล่อยวางนี้ที่ตามสับเรียกวัาสละคืนเหมือนอย่างว่าไปยึดเอาของเข้ามาก็คืนของเข้าไป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 เป็นตัวของเราของเราจึงได้บังเกิดความทุกข์ต่างๆแต่เมื่อตั้งสติตามดูตาม ร, ามรู้ตามเห็นให้รู้เห็นตามเป็นจริงได้แล้วก็จะปล่อยวางได้เคลืนเข้าไปเคลืนเข้าไปแก่ธรรมดาไม่ฝืนไม่ยึดเมื่อเป็นดังนี้ก็เป็นอันวางทุกข์ลงไปได้โดยลําดับจะเป็นความสิ้นทุกข์ไปโดยลําดับ ดังนี้เป็นการปฏิบัติในธรรมานุปัสสนาสิริปทานที่พระพุทธเจ้าได้จัดแสดงไว้ต่อไปนี้กอ ข, ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป